คนจับปลาแสนฉลาดนานมาแล้วมีคนจับปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านเขามักจะออกไปจับปลาที่แม่น้ำทุกวันเขามักจะโยนสมอเรือไว้ใกล้ฝั่งวันนี้เขาก็ทําเหมือนกันและเขาก็ลงไปในน้าไปหาปลาวันนี้อากาศดีจังเลยมันดีมากที่จะได้ปลาดีๆจะสามารถขายปลาในตลาดได้แล้วก็เงินดีด้วย เขาได้โยนแหลงไปในน้ำเพื่อที่จะจับปลาแต่วันนี้ในปลาที่เขาจับได้นั้นเขาเจอขวดแก้ว ด, ด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนขวดนี้มันดูแปลกๆนะให้ฉันเปิดดูแล้วก็ดูว่ามีอะไรคนจับปลาเอาขวดออกมาจากตะข่ายแล้วเปิดออกทันใดนั้นมีซาร์ก็ออกมาจากขวด ที่สุดฉันก็ออกมาจากที่เล็กๆนั้นและทีนี้ฉันจะทำให้คนที่นี่กลัวให้หมดเลยโอระเจ้านายเป็นใครอะและ้วทำไมจะเข้ามาอยู่ในขวดได้อะเจ้าคนง่ฉันเคยเป็นคนขุมก่อนนี้แม่น้ำนี้ถูกรู้จักในนาของแม่น้ำผีไม่เคยมีใครกล้าเข้ามาที่นี่เพราะฉันทุกสิ่งมีชีวิตกลัวฉัน วันหนึ่งปีพระมาที่นี่และใช้เวทมนต์ของเขาขังฉันเอาไว้ในขวดนี้ฉันติดอยู่ในขวดนี้เป็นปีแต่ตอนนี้ฉันไปนอิสระแล้วและนายจะเป็นเยื่อรายแรกของฉันทำไมเป็นฉันล่ะถ้าปล่อยนายออกมานะแต่ว่านายเป็นคนเดียวที่รู้ความลับเกี่ยวกับขวดนี่ไงฉันจะเล่นงานนายและฝังความลับนี้ไปกับนายตลอดไป คนจับปลากลัว ม, มากเขาเริ่มคิดที่จะช่วยตัวเองในที่สุดเขาก็คิดแผนออกนายจัดการชัดก็ได้แต่ฉันอยากจะขออะไรนายสักอย่างได้ไหมล่ะฮะโอเคบอกฉันมาว่านายต้องการอะไรชั้นสงสัยว่านายตัวใหญ่แล้วก็ขวดนี้มันเล็กฉันไม่เข้าใจในายโกหกหรือเปล่าทำให้ฉันดูหน่อยได้ไหม นายคิดว่าฉันโกหกอย่างนั้นเหรอฉันจะแสดงให้ดูด้วยความอวดดีของปีศาจมันไม่ทันคิดถึงข้อผิดพลาดที่กําลังจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะทําให้คนจับปลาดูว่ามันไม่ได้โกหกเจ้าปีศาจได้ทำตัวเล็กลมและเข้าไปในขวดทันทีที่ปีศาจเข้าไปในขวดคนจับปลาก็ปิดฝาขวดทันที <c oughs> ทีนี้นายหัวรอดได้เลยอยากจะจัดการฉันเหรอ จะส่งนายกลับไปที่ที่นายควรจะอยู่คนจับปลาได้โยนขดลงไปในแม่น้ำอีกครั้งและกลับมาที่ท่าน้ำเขาเก็บปลาทั้งหมดที่เขาเก็บได้แล้วกลับบ้านไปอย่างมีความสุขคนจับปลาฉลาดและช่วยคนเอาไว้ทั้งเกาะจากปีศาจร้ายดังนั้นเด็กๆเห็นไหมว่าคนจับปลาใช้ความฉลาดของเขาจัดการกับเจ้าปีศาจยังไงใช่ค่ะเราเห็นแล้วนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลย นี่สะสมควรได้รับผลกราบของมันใช่นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเรานะ่ได้เรียนรู้ว่าเราไม่ควรที่จะกลัวกับปัญหาตั้งสติแล้วคิดหาทางออกแล้วชัยชนะมักจะเป็นของเราเสมอเจ้าประมงกับภรรยา ชาวประมงกับภรรยาอยู่ที่หน้าผาใกล้กับทะเลใหญ่ทุกๆวันชาวประมงจะไปที่หน้าผาและไปตกปลาเพื่อหาเลี้ยงชีพ mm hmm. เขามีความสุขกับชีวิตง่ายๆของเขาแต่เขารู้ว่าภรรยาของเขาไม่พอใจ mm hmm. เธอมักจะโกรธอยู่เสมอดูกระทบสกปรกนี่สิกลิ่นของมันทำให้ฉันจะอ้วกฉันต้องทำความสะอาดทั้งวันทั้งคืนและมันไม่ช่วยเลย เขาประมงรักภรรยาของเขาแต่เธอไม่เคยหยุดบน่นวันที่ดีที่เขาได้ปลามาถึงสองตัวภรรยาจะขอสามถ้าเขาเอามะม่วงมาให้เธอก็จะอยากกินพีชไม่มีอะไรที่เขาทำได้เพื่อให้เธอมีความสุขเลยโอ้ที่รักผมจะทำอะไรคุณถึงจะมีความสุขพาฉันไปจากกระท่อมเหม็นๆนี่แล้วฉันก็จะมีความสุข วันหนึ่งเขาไปตกปลาที่ใกล้ผาวันนั้นน้ำเป็นสีฟ้าและสงบมากเขานั่งแล้วใช้เบ็ดตกปลาของเขาลึกในทะเลเวลาผ่านไปเขาเริ่มเหนื่อยอืมวันนี้เราคงต้องกินผลไม้กันแล้วล่มัง้งโอ้เดี๋ยวถ้ารู้สึกถึงอะไรบางอย่างเบ็ดตกปลาของเขาเริ่มตึงเขาดึงมันอย่างเต็มที่ ้นนัักเนนนี่่่าจะเเป็ตัวใหญมื่อจะขอขึ้นมาเขาแปลกใจมากที่ได้เห็นปลากระตูนมันเป็นปลากระตูนที่สดใสมากโอปลากระตูนแต่ทำไมตัวหนักดัก น, นะมันกินมากเกินไปละมั้งเนี่ยไม่มันไม่ใช่สาเหตุที่ฉันหนักกว่าปลาตัวอื่นดอกหน้าอะไรนะนิดนายเพิ่งคุยกับ ฉันเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนายรู้จักฉันได้ยังไงอ่ะฉันรู้จักเรื่องของนายเยอะเลยฉันไม่ใช่ปลาธรรมดาฉันคือเจ้าชายที่โดนสาบปล่อยฉันไปฉันในรสชาตไม่อร่อยอยู่แล้วขอลาอย่าฆ่าฉันเลยอ๋อไม่ต้องพูดมากหรอกฉันจะไม่ฆ่าปลาที่พูดได้แน่ไหนไปซะเถอะโอขอบคุณนะ เขาตื่นเต้นที่จะบอกภรรยาเรื่องปลา ก, กระตูนเขารีบไปที่บ้านและลืมไปเลยว่าเขาไม่มีปลากลับไปสักตัวเดียวโอทีรักผมมีอะไรจะบอกนะรีบมาเร็วอะไรวันนี้ไม่ได้ปลาเหรออ๋อไม่ผมจับปลา ก, กระตูนได้และมันพูดได้ด้วยมันบอกผมว่ามันเป็นเจ้าชายที่โดนสาปมาอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อผมก็ปล่อยมันไปแล้วล่ะ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 เรามีเตาผิงด้วยนีด่ดีมากเลยนะคุณมีความสุขแล้วนะเราอยู่ที่นี่ตลอดการได้ไหมตลอดการเนอะฮไว้ดูทีหลังแล้วกันกินอาหารแล้วเข้านอนกันเถอะคืนนั้นภรรยานอนไม่หลับเธอเอาแต่คิดว่าอะไรจะทำให้เธอมีความสุขตอนเช้าเธอก็รอให้สามีของเธอมาหาที่โต๊ะแล้วพูดว่าอารุณสวัสดิ์ที่รัก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 วันนี้ทะเลเป็นสีม่วงและมีลมแรงเจ้าปลาวิเศษได้ยินทันมหมภรรยาฉันไม่มีความสุขเธอต้องการอะไรล่ะเธอต้องการวังและอยากจะเป็นราชินี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 โอ้มันดีใช่ไหมล่ะพอใจแล้วรอยังอมไม่การเป็นแระชินียังไม่พอฉันอยากเป็นจกักรพรรดิ น, นีอะไรนะนี่ผมรู้ว่าคุณคิดอะไรปากาตูนทำให้คุณเป็นจกักรพรรดิ น, นีไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้คุณไม่รู้หรอกไปหาบลาดน่นแล้วทำให้ฉันเป็นจกักรพรรดิ น, นี ชาวประมงลังเลแล้วเดินไปเขามองไปที่น้ำสีน้ตาตาลและสงสัยว่าทำไมน้ำถึงกลายเป็นสีนั้นเจ้าปลาวิเศษได้ยินฉันมาภรญยาฉันไม่มีความสุขเธอต้องการอะไรล่ะเธออยากจะเป็นจกนักรพรรดินนีเน่ะกลับ <Sah es> ไปสิเธอได้สมหวังแล้ว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 โอที่รักคุณคือจักรพรรดินีแล้วจริงๆใช่ใช่สิฉันบอกแล้วไงว่าปลานั่นช่วยเราได้ใช่จริงด้วยคุณมีความสุขหรือยังไม่รู้สิไว้ดูกันเราเหนื่อยมาเมกแล้วไปเดินกันดีกว่าชาวประมงกลัวว่าภรรยาเขาจะขออะไรอีกแต่เขาเหนื่อยจากการวิ่งทั้งวัน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 เขารู้ว่ามันผิดมากข้างนอกแม่ก็คร้มเต็มทะเลและลมก็แรงมากเมื่อไรมันจะจบนะนี่มันผิดมากอโอ้น้ำมันน้ำมันสีดำมากเลยวันนี้ฉันกลัวสุดๆเลยเออเจ้ากล่าววิเศษได้ยินฉันมา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 นายให้พรภรรยาฉันทุกครั้งแต่ว่าฉันเป็นคนช่วยชีวิตนายให้พรกับฉันสินายก็พูดถูกนะแล้วนายต้องการอะไรชาวประมงหายใจเข้าลึกๆฉันอยากให้ภรรยาฉันมีความสุขนะกลับไปสิเพื่อนเธอมีทุกอย่างที่เธอต้องการเพื่อมีความสุขแล้วล่ะชาวประมงวิ่งกลับบ้าน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 ภรยาเขารู้ว่าความสุขนั้นอยู่กับสิ่งง่ายๆและพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป